ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของการพูดคุยธรรมะในวันนี้ก็มีข้าพเจ้าพระ ก็คือคนไหนที่มันมีทุกข์น้อยลงเนี่ยความสุขก็เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติทีนี้ความสุขที่เพิ่มขึ้นนี่เอ่อบางคน เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งไม่ใช่ความทุกข์ก็ฟัง อ่ะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยทําให้มีความหมายอื่นแฝงเข้ามาด้วยซึ่งจริงๆแล้วในภาษาบาลีเนี่ยภาษาที่พระเจ้าใช้เนี่ยคือหมายถึงแค่ความเช่นความรู้สึกที่เป็นโสมนัส เราจะมีความวันนี้รู้สึกง่วงตอนนี้รู้สึกหงาวตอนนี้รู้สึกปวดหัวแต่ตรงนั้นจะไม่ใช่เวทนานั่นๆๆๆขึ้น ในที่เวทนาเนี่ยมีแค่ 3 อย่างเพราะเรามีสัญญาใช่มั้ยเรามีความรู้สึกม่วงการสื่อเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของเวทนากับสัญญาตรงนี้ ที่ว่าเอ่อเราควรจะหาเราควรจะมีแต่เราควรจะทําอันนี้เรายังคิดผิดอยู่นะเราเรายังหาสิ่งที่เป็นทุกข์ 5 เป็นหนึ่งในขันธ์ 5 นะรู้สึกซึ่งอ่าความโศกความรู้สึกซึ่งความทุกข์ๆนั้นเป็นวิญญาณๆเนี่ยขันธะเนี่ยแปลว่ากองนะเอาเป็น นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, 5 อย่าง 1 ตัวแต่ที่พูดถึงว่าความทุกข์ทั้งหมด 5 นะกล่าวโดยย่อเนี่ย 1 ในขันธ์ทั้ง 5 1 ในเวทนาทั้งหลายเพราะ ถ้าจะมีความสุขมากขึ้นแต่ทําไมบอกว่าสุขเวทนาเป็นทุกข์งั้นยังไงชอบคนเนี่ยถ้าเรามีๆกิเลสเรา ที่ว่าเป็นสุขเวทนาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนี่คือประเด็น ความรู้สึกเวทนาจําได้เนาะสุขเวทนาเป็นความรู้สึกน่ะที่มันมันเป็นทุกข์แน่ สุขเวทนามันไม่เที่ยงตอนไหนมันไม่เที่ยงยังไงเอาชอบนะสุ ภาษาตอนแรกเกี่ยวกับความอร่อยตอนแรกคําแรกกับภาษาที่เกี่ยวกับความอร่อยตอนสุดท้ายเนี่ยมันดีนะอากาศที่ นะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเราชอบอากาศแบบนี้เนี่ยมันร้อนนั้นมันก็หาย <pushed> มันมีสภาพหลอกลวงหลอกลวงยังไงแล้วมันหลอกลวงให้ มีเป็นไปเป็นโดยประการอื่นน่ะโดยที่ไม่ปัจจัยควบคุมของได้เนี่ยความเนี้ยตรงเนี้ยเค้า เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ไอ้ความเปลี่ยน เราควรจะทําไงถ้าถ้าผมว่าราบตัวเรามีแต่สิ่งที่เต็มเช่นถ้าเรามีความ <ไป. นะ, S 2> เราชอบอาหารประเภทหนึ่งอ่าประเภทนี้สมมุติว่าเป็นห่อหมกสักอันหนึ่งห่อหมกนี้โอ้โหทํามาจากปลาอย่างดีรสชาติดีมากและมีชื่อเสียง 2 ก็ได้นะมีความ แล้วพอใช้ในสิ่งนี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ห่อหมกอันนั้นที่เรากินเนี่ยท่านฟังมันมีเส้นผม แม่เราชอบนะเราเข้าไปยึดถือนะโดยความเป็นตัวเราของเราก็ฉันชอบ เราจะหวานไว้เปลี่ยนแปลงไปตามมันนะแล้วพิษมันก็จะเริ่มออก มันไม่เจ็บเจ็บเพราะมันเจ็บตอนที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังนะ นี่แหละคือสภาวะที่เป็นทุกข์ในสภาวะที่เป็นทุกข์แล้วถ้าเผื่อว่าเราสามารถคลายความยึดถือ ถ้าเรามีความยึดถือในสิ่งที่เป็นทุกข์น้อยลงสภาวะที่เป็น ความยึดถือในอะไรก็ความยึดถือในสิ่งที่เป็น وبه ถันหลุดออกและใจเราก็ไม่ติดกับสิ่งที่เป็นทุกข์อ้าวเราก็เป็นโชคมาก เปรญนิพพานในปัจจุบันที่เราเห็นได้